ถ้าเกิดว่าในขณะจิตปัจจุบันเนี่ยค่ะเราสามารถสักแต่ว่ารู้ได้นะคะแต่ว่าในในขณะที่มันเกิดเวทนาทางกายที่แบบเจ็บป่วยสติมันเบาบางมากแล้วะคะ่ะมันมันมันยากสําหรับการที่จะสักแต่ว่ารู้ได้ในสภาวะนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าใจดีเนะนี่ยตรงเนี้ยแก่รู้เนี่ยคือใจใจหรือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งแค่รู้คือใจแค่รู้แต่ขันห้าต้องรักษามันนะ ขันห้าเนี่ยไอตัวที่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกรุ้มก็ต้องรักษามันตามความเป็นจริงเก็บแค่ได้ป่วยก็ต้องพามันไปรักษา<ะ>ไม่ใช่ว่าเราแค่รู้แล้วปล่อยมันเฉยๆนะไม่ใช่นะไอใจอน่ยมันแค่กสะสมรู้ไอใจเนี่ยอหรือว่าพุทธาเนี่ยมันแค่รู้แต่ต้องพากายไปหาหมออ๋อไม่ไม่หนูหนูพูดถึงในกรณีที่มันเกิดเวทนาที่มันจะดับแล้วบางทีในขณะที่บางทีคือตัวหองเองบางทีว่าเ อ, อทานยาหาหมอแล้วหรือว่าทําอะไรแล้วแต่ว่า ขณะที่มันทรมานอยู่กับสังขารเนี่ยค่ะเราบางทีมันปวดมากจัดจับหรืออะไรอย่างเงี้ยยาปวดมากแล้วเรากินยาหาหมอแต่ใจเท่านั้นเนี่ยที่ไปทุกกับสิ่งที่เป็นใจนะไม่ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปทุกกับสิ่งที่เป็นแต่ถ้าเรามีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากนั้นเป็นนี้อยากนั้นเป็นอย่างันอย่างให้มันทุกข์มากเลยไม่แค่รู้แหละเราเนี่ยแค่รู้สิ่งที่มันเป็นไม่ไปทุกกับสิ่งที่มันเป็นแต่ก็พาตัวไปหาหมอ แต่เราไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันตายในทุกมากเลยมันไม่แค่รู้แล้วคือเราแค่รู้มันตามความเป็นจริงแต่เราก็ต้องพาไปหาหมอแล้วมันปวดบ้าเราก็กินยาหรือไปหาหมอก็แคนะ่นั้นเรไม่เข้าใจยังไงอะอยกคาหน้างงงพูดถึงสภาวะในขณะจิตที่แบบบางคนแบบทรมานด้วยโรคที่แบบมันมันรักษาไม่ไหวแล้วค่ะลุงตาสติที่เข้มแข็งจัดมันต้องฝึกฝนอย่างมากที่จะสู้กับเวทนาในทุกขณะ ปัจจุบันอย่างที่แบบคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะลุ ง, งะะตาคือสติในขั้นปกติที่ร่างกายมันไม่ป่วยเนี่ยคะ่ะมันก็รู้รู้สักแต่ว่ารู้ได้คะ่ะเพราะว่าสติตราเต็มแต่ว่าในขณะนั้นมันมันมีเวทนากล้ามากะคะ่ะลุงตาคือเราใช้วิธีการต้องฝึกฝนมาพิจารณาขนาดไหนถึงจะแบบในขณะในทุกขณ<ร>ะป<ร>ะัจจุบันเนี่ยในสภาว่าที่เราไม่ถึงขั้นวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยคือร่างกายจะแตกตับ แล้วก็ไอ้ธาตุขันเนี่ยธาจะแตกขันจะดับมันมันจะทรบานแสนสาหัสเนี่ยเราไปฝึกในสภาวะตอนนั้นไม่ทันหรอกแล้วก็ฝึกในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราแค่รู้จริงๆในปัจจุบันตามความเป็นจริงจริงๆในขณะปัจจุบันน่ยโดยเราไม่เข้าไปยึดถืออะไรไม่ไปคาดหวังอะไรเมตใจมันก็พ้นทุกนิพพานเมตใจมันเป็นนิพพานเนี่ยมันไม่กลับไปกลับมาแล้วเมใจเป็นนิพพานจริงๆแล้วมันยังไม่กลับไปกลับมามันเป็นเขาเรียกว่า อะสถานะคือเป็นสถานะที่ไม่เปลี่ยนแปลงอมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วตอนนั้นเนี่ยถึถ้าขันจะแตกจะดับจะทรมานร่างกายจะเจ็บปวดจิตใจจะโอ้โหวุ่นวายฟ้าวุ่นมากเลยแต่ความเป็นนิพพานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นหลายๆคนเลยต้องฝึกในขณะที่เรายังมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะปัจจุบัน จิตใจมันแค่รู้สอบตัวรูทุกขณัฐที่ที่มันเป็นในขณะปะัจจุบันตอนที่เรายังฝึกเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นมันก็ฝึกให้แค่แค่ ร, ครู้แค่รู้ในปัจจุบนันพอเราแค่รู้ในปัจจุบัน outright, จริงๆอ่ะไม่ไปคาดหวังอะไรในอนาคตแล้วไม่เข้าไปยึดอะไรไม่งุนหงิดอะไรไม่พยายามเข้าไปแก้ไขอะไรพอจิตเป็นอย่างงี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างเนี้ยถ้าเราไม่มีกิเลสแอบแฝงแบบเนี้ยมันก็เป็นนิพพานไปพอมันเป็นนิพพานแล้วนเวนี่ยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำอมนนั้นอ่ะทีีี่่่เปนนนนนิพาามมัไกรลลยแง แล้วเ น, นี้ยต่อให้เจ็บปวดไปธาแตกยังไงอ่ะมันก็มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ระหว่างฝึกเรียมันก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่าก็ต้องฝึกกันเต็มที่ทุกคนก็ต้องฝึกอย่างเต็มที่คือฝึกอะไรก็คือฝึกในปัจจุบันเนี้ยในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเนี้ยคือรู้จิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันรู้จิต ร, ร, รู้จิตรู้อาการรู้จิตปัจจุบันรู้จิตรู้การรู้จิตปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันแล้วอ่านใจตัวเองขาดว่ามัน เรงเนี่ยเออมันเข้าไปยึดอะไรหรือเปล่าลูกแค่สักตะวัรู้สักตะรู้รู้ซื่อๆจิตปัจจุบันหรือเปล่าจะตัวก็จะรู้ตัวเองเป็นปัจจตังได้ตัวของตัวเองอ่ะว่าเรารู้ซื่อๆเราเนี่ยศรัทธารู้ซื่อหรือเปล่าศรัทธาเนี่ยเราศรัทธารู้ซื่อหรือเปล่าศรัทธาสักตะวรู้จิปัจจุบันหรือเปล่าศรัทธารู้หรือเปล่าเราศรัทธารู้ศรัทธาพุทธะไหมปากเราเนี่ยหรือใจเราเนี่ยเวลามาถามถามเราเนี่ยบอกว่าศรัทธาพุทธะศรัทธารู้แต่เอาข้อจริงอ่ะพอจากเราไปหรือตอหน้าเราอ่ะ แต่ไปศัทธาอาการแต่ไปสัทธาสภาวะธรมว่าเดี๋ยวจะต้องไปเป็นอะไรเดี๋ยวจะต้องไปได้นิพพานนิพพานเป็นยังไงก็ไปวาดฝันกันไแล้วมันไม่ใช่ว่าศรัทธารู้สตวรู้ในปัจจุบันแต่เราเนี่ยไปศรัทธาสภาวะธรรมอาการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นสภาวะธรรมที่จะได้โดยที่เราไม่รู้คืออะไรเลยแต่เราไปวาดฝันไว้ว่าถึงตอนนั้นมันจะว่างถึงตอนนั้นมันจะอัศจรรย์ถึงตอนนั้นม จ, จ, จะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็มีตัวเราไปได้ตรงนั้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราเราคาดหวังผิดแล้วคาดหมายผิดเพราะว่ามีทั้งเป้าหมายที่จะไปถึงแล้วก็มีตัวเราที่จะไปถึงอันเนี้เป็นกิเลสเป็นอวิชชาปเป็นกิเลสมันไม่มีโอกาสที angan, ่จะนั่นแหะไม่มีโ อ, อกาสพรรลุได้ในปัจจุบันเราต้องอ่านใจเราให้ขาดว่าเราหลงหรือเปล่าถ้าเราไม่หลงแล้วแค่รู้ในปัจจุบนันเรื่อยไปจจ เ, เพราะมันรู้ในปัจจุบนันจริงๆเออเราก็เพียรรู้ในปัจจุบนันรู้แต่ปัจจุบันเพียรรู้ในปัจจุบนันไม่นานเรา เพียรู้ในปัจจุบันเพียรู้ในปัจจุบันใจเราไม่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแบบนี้แล้วไม่ไปหวังอะไรในอนาคตมันก็จบลงในปัจจุบันได้ถ้าเราจะไปหวังอะไรในอนาคตไปแอบหวังอะไรซ่อนไว้ในอนาคตไม่ไม่ศรัทธาแค่รู้ปัจจุบันเราต้องศรัทธาแค่รู้แค่รู้สัตว์ตวรุ้เนี่ยคือนิพานแค่รู้สัตว์ตวรุ้ในนิพานแต่เรากลับว่าถ้าเราแค่รู้สัตตวรู้เดี๋ยวเราจะมีตัวเราไปบรรลุนิพานอ้าวมันมันโคลนอันกันแล้วตอนเนี้ย เราสัทธารู้สัตวรู้อันนั้นเน่ยคือนิพพานอันนี้มันจะไม่ขาดเคลื่อนเลยแล้วก็ศรัทธาเนี่ยไปเรื่อยในกระดาษปฏิบัติก็ต่อเนื่องไม่นานแต่พอถึงตอนนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าไปธาตุจะแตกเราเพราะว่ามันเป็นนิพพานแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าได้ไฟธาตุจะแตกกาจะดับอย่้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาได้จะเสริมแหมเจออะไรไหมอ๋อเจอพูดอะไรไหมผมผมว่าต้อง อันเดิมที่หลวงตาบอกทุกครั้งนะครับอ่านใจตัวเองให้ขาดแล้วก็ยึดหลักให้มันนะคือถ้ามันมีตัวนี้อยู่เนี่ยมันมันไม่ออกจากปัจจุบันเลยอ่ะคือถ้าอ่านใจตัวให้ขาดว่าเราไปเอาอยู่หรือเปล่าก็แค่รู้เท่าทันแล้วก็ละตรงนั้นซะครับแล้วก็ยึดหลักปัจจุบันให้มันคือทางเดินมันก็มันก็ชัดอยู่ฮะคือคือพอมันอยู่ปัจจุบันแล้วทางนิพพานมันก็ชัดมันจะเดินถึงไม่ถึงไม่รู้ล่ะมันก็มีคนไม่ถึงอยู่ดีอ่ะนะมันไม่มีใครถึงหรือหรือไม่มีใครไม่ถึง เพียงแต่อยู่ปัจจุบันแล้วปัจจุบันไปเรื่อยๆมันก็อยู่แนวทางนิพานอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันทางนี้คือทางที่ไม่มีผู้ยึดถือไม่ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ก็ข้อทางนี้แล้วครับเราก็แค่เอขันห้ามันก็ทําหน้าที่ยังมันไปอ่าดังนั้นถ้ามันจะออกนอกช่องเนี่ยก็แค่รู้ทันเท่านั้นเองรู้ทันก็ตัดทั้งโยงที่หลวงตาสอนให้ให้เคยวิชาไปแล้ว เขตัดทั้งยวงมันก็เข้าสู่แท็กปัจจุบันอยู่ดียังไงมันก็ไม่หลุดออกจากปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่ที่ปอห่วงว่าแล้วมันจะวางจิตยังไงในเวลาเวทนาเกิดมากๆเลยนะผมผมคิดว่านั่นเราก็กังวลอนาคตคเราก็กลับปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันมันมีอะไรก็ทําตรงนั้นไปก็แค่รู้ไปเรื่อยๆแค่เห็นว่าเราไปปรุงแต่งเราไปกังวลในอนาคตก็เห็นตัวนั้นก็เท่านั้นเองก็กลับเข้าแท็กปัจจุบัน คือเดินทางเนี้ยที่หลวงตาปูไว้ให้เยอะเนี้ยมันมันทุกอันมันเข้าหาแท็กปัจจุบันหมดเลยคือเราจะออกไปนอกทางยังไงมันมีตัวเช็คลิสที่หลวงตาเสยเทศไว้อยู่แล้วเรารู้เท่าทันก็กลับเข้าสู่ทางนิพพานเหมือนเดิมฮครับเอเอตรงที่รู้ปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ลูกศิษย์เองของเราก็าปฏิบัติปีกกันเยอะแล้วก็ผู้ที่มหาเราจากที่อื่นก็ปฏิบัติปีกันเยอะ คือเขารู้ปัจจุบันก็คือมีกวามชีวิตความไปอยู่ในปัจจุบันก็อยู่ปัจจุบันรู้ปัจจุบันคือแต่อยู่กินอยู่อะไรเป็นแบบว่าไม่รู้อะไรอ่ะแต่อยู่กับปัจจุบันไม่ไม่ไปอดีตไม่ไปทุกข์ใจเรื่องอดีตไม่ไปขังวนใจเรื่องอนาคตก็กินอยู่นะหลับนอนสนุกสนานกับเพื่อนอยู่กับครอบครัว ก, บบกอ็อยู่กับปัจจุบันอาจารย์อยู่ปัจจุบันก็ไม่ไปไม่ไปขังวนเรื่องอดีตไม่ไปกังวนเรื่องอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่ปัจจุบันแล้วเราเห็นมหาเราบนงทีเหมารถตู้มาทั้งสองคัน่ะ จะา่าให้เรายืนยันว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วเป็นปัจจุบันแล้วเราดูเห็นจริงเลยไม่อาจารย์ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยเป็นไงรู้อยู่กับปัจจุบันจริงกไม่เชื่ออาจารย์ก็ดูทีเนี่ยใจว่างเปล่าหมดเลยอยู่กับปัจจุบันใจว่างเปล่าหมดโอ้ยใจว่างเปล่าเลยเนี่ยอยู่กับแฟนหมดเลยอ่ะ เวลาแฟนก็จะกินนี่จะเอาดูก่อนไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไม่ก็อร่อยแต่งตัวอย่างนี้ชุดอันนี้ไม่หล่อลแล้ยแต่งอย่างนี้ดีกว่าเลยยุ่งกับเขาตลอดเวลาเลยเนี่ยอยู่กับปัจจุบนันแหละอยู่กับแฟนตลอดเลยบอกว่าอยู่กับปัจจุบนันนึกเห็นอยู่กับปัจจุบันเลยอยู่กับแฟนตลอดแฟนก็มาด้วยยกมือเลยอาจารย์แหมจริงมากเลย <c oughs> ยุ่งกับผมทั้งวันทั้งคืนโอ๊ยปฏิบัติเข้าใจปัจ จ, จุบันผิดแล้วเขาคิดว่าว่เาเขาไม่ไปทุกข์กับอดีตแล้วไม่ไปทุกข์กับอนาคตก็อยู่กับปัจจุบันอยู่สบายใจเชิีอยู่กับปัจจ ดูหนังดูละครเล่นเกมอยู่กับครอบครัวอยู่สบายไม่ไม่ไปทุกข์กับอดีต ไ, ไปแปรนัคนอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นรู้จิตปัจจุบันรูจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันแค่รู้จิตปัจ avier, interior, Personal, Native, Positive, จุบันแค่รู้จิตปัจจุบันสักแต่รู้จิตปัจจุบันสักแต่รู้จิตปัจจุบันแต่เขามันไปอยู่กับปัจจุบันไม่ได้รู้จิตปัจจุบันมันคนละเรื่องกันเลยตรงเนี้ยใจย่างไงพิมพ์นะใจข้างในมันมันต้องกดต้งเครียดั้องงุนกิดต้งจะทําให้มันไปได้เลยมันจะเอาจะเอาจะเอา เลยตัวระลวงนะจะไปยึดจะเอารู้จิตปัจจุบันแล้วจะเอารู้ไว้ได้จะเอาคารู้มันไม่ได้ตติกลงหูหงิดมันมโหอย่างเงี้ก็ยึดจิตปัจจุบันนีกยึดรูยยด้จิตปัจจุบันไปยึดอีกเขาอีกกันเนี้ยมันก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้แต่พยายามไปล็อกสเปกไว้ห้มันไม่ได้ตติกลงหูหงิดเหมือนบางคนมาร้องไห้ต่อหน้าเราก็หลายคนแล้วอาจารย์มันไม่สักตาบารุจิตปัจจุบนันได้ตติเดียด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงเข <ST. S 1> <ๆ>าก็สักตะบารุจซื่อๆคนนี้ก็มาโหเนี่ยมันไม่สสาาามรถักต ไอจิตปัจจุบันได้ก <ฮะ S 1> ็นเนี่ยมันเป็นอะไรก็แค่รู้มันน่ะมันแค่รู้ไม่ได้ดีอาจารย์มันเป็นยังไงบูนอะไรข้อล็อกเข้าหมดเลย <laughs> บอกก็รู้เฉยๆนี่ก็รู้เฉยๆอะไรมันก็ผ่านไปผ่านไปแค่รู้เฉยๆมันรู้เฉยๆไม่ได้เอาจะบอกว่าสักเะวัรู้มันก็ไม่แค่สักเะวัรู้ได้เพรอบอกว่ารู้เฉยๆก็ไม่แค่จะรู้เฉยๆได้ร้อง่ายเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเออเขาก็ใจอะไรผิดหรือเปล่าบอกถ้ารู้เฉยๆเนี่ยแสดงว่า มันต know. exactly ้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันถึงไม่สามารถรู้เฉยเฉยได้แล้วแค่สักตะรู้แค่สักตะรู้แล้วมันจะต้องเป็นยังไงสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ก็ร้องไห้ครับแค้นใจอยู่เนี่ยทั้งหลายคนเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้ทั้งนานเราซะอื่นะอบางทีตั้งโยนกระดาษทิชชู่ให้เราเนี่ยบอกกระดาษทิชชู่มันเยอะเนี่ยเนี่ยดี๋ยวโยนเดี๋ยวโยนในคนนั้นเนี่ยโยนในคนนี้มันประจําเลยเนี่ยอะไรมันขับแค้นใจมันไม่ไม่สักแต่ว่าปัจจุบันไม่สักตะรู้ยไม่สามารถรู้เฉยมมันไ่่แครู้เนี่ยเราอะมันเป็นยงไงอ่ะมันแค่รู้แล้ค ถ้ามันแค่รู้แล้วมันต้องหลุดถ้าสักตะวันรู้แล้วมันต้องหลุดถ้าสักตะวัรู้แล้วต้องเป็นนู้นต้องเป็นนี่ต้องเป็นนี่โอ๊ยอันนี้มันไม่ใช่แค่รู้แล้วมันสักตะวันรู้หรือแค่รู้แล้วมันต้องไปเป็นอะไรมันต้องเป็นอย่างไรโอยอันนี้มันเข้าใจผิดแล้วใช่ไหมแล้วก็พูดยังไงก็ไม่ฟังเนี่ยจะร้องไห้กลับไปก็มีเพูดยังไงก็ไม่ฟังเขาไม่รู้จะทำยังไงอเพราะว่ามันไปเอาผลไงไม่เอาแค่รู้เนี่ยไปเอาผลน่ะแต่แค่รู้แล้วก็ ต้องแค่รู้มันต้องหลุดต่อหน้าต่อตาเนี่ยจะเป็นยังไงหลุดต่อหน้าต่อตาแล้วจะไปยังไงอย่างนี้มันไม่แค่รู้มันจะเอาผลเนี่ยถ้าแค่รู้แล้วมันต้องหลุดต่อหน้าต่อตาถ้าแค่รู้แล้วมันต้องว่างต่อหน้าต่อตาแค่รู้แล้วมันต้องเป็นนิพพานต่อหน้าต่อตาเป็นยังไงไม่ว่าฝันว่านิพพานต้องเป็นยังไงแล้วหลุดแล้วต้องเป็นยังไงอะไรเนี่ยก็หมายมันต้องประจักษ์จากหน้าตาเราหล้าตาครับหลวงตาจะมีวิธีเพิ่มเติมให้ทางลูกศิษย์ไหมครับเพราะว่าผมผมรู้สึกว่า ลูกศิษลวงตาจํานวนมากที่ยังยังดิ้นรนค้นหาอยู่ที่มันไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาจจะคิดว่าตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ว่ามันจะไปเพลินกับปัจจุบันที่ขันห้ามันทํางานแต่หลงเข้าไปเพลินอยู่เพลินกับชีวิตประจําวันมันสบายดีมันอย่างงู้นอย่างนี้คือโดยที่มันละเลยจากความตั้งมั่นหรือว่ามันประมาทที่มันยังคิดว่ายังเหลือระยะเวลาเยอะที่จะได้ฝึกตรงเนี้ครับ คือพอมันไม่เห็นตรงนี้ปุ๊บพอมันไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำเนี่ยความตั้งมั่นของสติมันจะมีน้อยแล้วมันก็สมาธิปัญญามันก็ขาดไปครับแล้วก็การที่มันจะเกาะอยู่ปัจจุบันมันก็ทําได้ยากนี่ครับมันตาจะแนะนํายังไงได้มากครับตัวนี้จะสติจะต้องมันมีสติสติจะขาดเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยมันชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันใกล้จะสิ้นแล้วเรานับเวลาถอยหลังมันแต่ละคนอะหักไปแล้วกันเือไ่เท่าไหร่แล้วนับเวลาถอยหลัง แม้แต่เวลาเราเปลียนฝึกตลอดเวลามันยังไม่รู้เลยมันจะมันจะเป็นสัตวารู้ได้จริงหรือเปล่าเพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือต้องเพียนสัตวารู้คือสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสะเกตดที่ใจร่างอยู่ที่ใจร่าจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันร่าจิตปัจจุบันปล่อยวางจิตปัจจุบันเรื่อยไปสัตวารู้สัตวารู้อะปล่อยวางคือสัตวารู้หรือปล่อยวางปล่อยวางจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันร่าจิตปัจจุบันรู้ซื่อหูดูซื่อ ตั้งตตั้งที่ใจดูที่ใจดูที่ใจสังเกตที่ใจรายใจปล่อยวางที่ใจเวลากระทบอะไรอย่าไปกับสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปกับอารมณ์ที่ถูกรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อาการของใจต่างๆเนี่ยทําอารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เวลากระทบอะไรทุกขณะปัจจุบันเนี่ยอย่าส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้ให้มันรู้จิตปัจจุบันว่ามันกระทบแล้วจิตมันเป็นอย่างไรกระทบทุกขณะปัจจุบันน่ะ จิตมันเป็นยังไงรู้จิตปัจจุบันสับตะวัรู้จิตปัจจุบันที่มันไปกระทบแล้วจิตเป็นยังไงรู้แต่จิตรู้แต่จิตรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันเรื่อยไปรู้ซื่อซื่อสับตะวันรู้หรือว่าสับตะวะรู้หรือปล่อยวางจิตปัจจุบันเรื่อยไปรู้ซื่อๆืเรื่อยไปหรือว่าแค่รู้แค่รู้จิตปัจจุบันแค่รู้แค่รู้สับตะวะรู้จิตปัจจุบันแต่ส่วนใหญ่มันไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้ไปเรื่อยเพื่อเพื่อเจริญใจที่เราบอก สักตะรู้จิตปัจจุบันมันไม่สติรู้อะไรแล้วสติไม่ตั้งดีใจดูที่ใจดูที่ใจสะเก็ดทียใจไล่ใ จ, ใจไปลวางที่ใจมันเพลินเพลินไปกับอารมณ์ที่ถูกรู้ว่ารูกลดกินเสียงสับผาเปลสีอาการสบายใจไหน่อยสบายใจลำไปหมายส่วนใหญ่ไปหมายเอาเกับร้อยเปอร์เซนต์ไปหมายเอาใจที่มันโปรง่โปรงโล่โงเบาสบายใจที่ว่างว่างเป็นสุขมันเพลินเพล เ, เดินไปเดินมายิ้มแฉ่งแล้วพอไปแตะเขาหน่อยนะแล้วเราไปบอกเขาหน่อยพี่แย่เขาหน่อยว่า ทำไมยิ้มแต่ไปน่าใจให้หนายไม่ยิ้มมาเนี่ยร้องห่มร้องให้แต่ละคนเนี่แล้วก็อะไรนันพุงซ่านคิดอะไรยิดหน่อยก็แตะไม่ได้พุงซ่านคิดอยู่นั่นแหละพุงซ่านพราอะไรมันเอาแต่ใจสบายมาอยู่ใกล้อาจารย์แล้วก็สบายใจอยู่ใกล้อาจารย์แล้วสบายใจเราบอกว่าไม่ใจแบบนี้มันผิดมันผิดมันผิดไอ้รู้จิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันว่ากระทบอะไรทุกขณะปัจจุบันนะ่ะจิตมันเป็นยังไงนะ มันก็เพิ่มยังไงไหวตัวยังไงมันคิดมันลึกมันตึกมันต่ออย่างไงรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันจะปล่อยวางจิตปัจจุบันเรื่อยไปหรือสักตะวรู้หรือรู้สู้ๆจิตปัจจุบันไม่เอาเอาแต่ความสบายใจก็อยู่กันประจำ嘛อยู่กับประจำเนี่ยก็ยังก็ยังไม่เอาแค่นั้นเราเห็นแล้วก็ว่าเช้าเย็นด้วยนะว่าเช้าว่าเย็นว่าเช้าว่าเย็นนะครับพ่อสิว่าเช้าว่าเย็นแล้วก็ ทำไมเป็นอย่างนี้เงี้ยเขาไม่เขาไม่ศรัทธ า, ารู้อ่ไม่ศรัทธารู้จิตตะจิตปัจจุบนันไม่ศรัทธาตรงคําสอนนี่เลยไม่ศรัทธาแต่เขาศรัทธาใจสบายศรัทธาใจสบายใจว่ากระดูกมากามากอ่ะที่มากมากอ่ะก็ตหวาดใส่เราเฉยบอกว่ามาอยู่วัดเนี่ยไม่ได้บุญเลยเหรออาจารย์ อาจารย์บอกมาสิว่าใจไม่สบายไม่ดียังไงนย่าดูสิทวารใสเลยนะอเ น, นี่ยมาอยู่วัดเนี่ยมันไม่ไม่ได้บุญเลยเหรออาจารย์แล้วใจไม่สบายอาจารย์บอกว่าไม่ดียังไงเนี่ยเห็นไหมันยึดมากเลยนะเพราะเหมือนกับว่าหมาหมามันหวงหวงไอ้กระดูกที่มันได้ไว้เนี่ยพอใครไปแย่งไปหยิบกระดูกที่มันได้มาไอ้กระดูกชิ้นใหญ่ที่มันได้มาเนี่ยมันไนล่กัดเอาอเดื้อเลยครูบาอาจารย์ก็ไม่เว้นเลยโอ๊ย เขาาจะไปว่า ไ, ได้เนี่ยอยู่ตัวหน้าต่อแท้เนี่ยดูเอาเฉยเลยอะล่ะเลออโยมทำมันใพนพวกเนี้ยหมาได้กระดูกชิ้นใหญ่มาเลยไปเขาก็ดูออกจากปากมาันนะมันกัดตายเลยเพราะจะกัดอย่างเดียวเลยก็วากใส่ไ่เราเลยความสบายไม่ดีไงอาจารย์บอกสิโอ้ย เราก็เพีย้ยเนี่ยบอกเขาเนี่ยมันอายุมันสั้นแล้วแต่เราควมันนับวันสวย ห, หลังมันใกล้จะตายแล้วทุกคนแล้วมันสับตวันรู้จิตปัจจุบันแล้วจิตปัจจุบันปล่อยวันจิตปัจจุบันหรือยังล่ะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับใจที่สบายไม่สบายอย่าไปวุ่นอย่าไปสนใจใจที่สบายไม่สบายโปกงโรคเบาสบายว่างเดินยิ้มแจ่งก็แตกเข้าร้องไห้หมดเลยทั้งทุกคนอะไปแตกไปว่าเขาร้องไห้หมดเลยวันก่อนนี่ก็หนีกับบ้านไป คนนึงเรื่องนิดเดียวอ่ะเราก็เนี่ยสอนอย่างเงี้ยว่าเช้าว่าเย็นมาอยู่ที่ท่างหลายวันไปบิตาบาตตามหลังกันเอา่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่าผู้หญิงไปหลายผู้ชายไปขั้นไปตามสี่คนผู้หญิงก็เราก็อนุญาตเดินตามไปได้พมมีผู้ชายเยอะเอไปแต่และผู้ชายก็เห็นเป็นผู้หญิงก็เยอะมากแล้วเขาสงสารเขาไม่ให้หยิบจับอะไรให้เดินสบายสแกนั่นแหละเราไม่อะไร คิดมาเขาทําไมไม่ให้เราช่วยเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยเลยเดินคิดเราอะเออไม่หายไปนานมากเลย <c oughs> นี่มันมันหายไปไหนเลยเนี่ยอันใ น, นข้างหลังไม่โพ่เลยหายไกลมากเลยพอมาถึงปุ๊บมีคนก็บอกว่านี่อาจารย์ก็ถามว่าทําไมเดินห่างมากนะักแกนั่นแหยะเอามันบอกว่าว่า ท่จะบอกว่าไม่ได้ท่านอย่างโน้นอย่างนี้เพราะแต่ว่าเขาไม่เป็นอย่างนี้อะไรน้อยใจแล้วว่าอะไรแหละบอกไม่ใช่เป็นห่วงมันหายไปนานเรบอกว่าเดินห่างแล้วก็เพราะว่ามันคิดว่าเนี่ยทําไมจึงเป็นอย่างนี้เราจะหยิบจะจับก็ไม่ให้ช่วยหยิบช่วยจับว่าผู้หญิงอายุเจ็สิบกว่าแล้วป่ะเจ็ดสิบห้าสิบกว่ามั้งเสียณแล้วเหรอเออก็น้อยใจเออนออี่โอ้ยหนุ่มๆมังกรใหญ่ๆเต็มไปหมดแล้วมันก็ ใครจะไปใช้ผู้หญิงอายุขนาดนั้นก็บางคนอยากก็รถก็นหนัก <c oughs> เข็นก็นหนักกระแป้งก็นหนักอะไรเงี้ยก็ไม่อยากอยากให้อายุมากอะไรเงี้ยกน้อง ใ, ใจเราอยู่บ้านกับน้องให้ใจอย่าไหนเราลูกหลานก็ไม่มีคนก็ไม่มาดูแลนกน้อยใจไปเรื่อยคีดไปเรื่อยจนซึมเศร้าพอมาอยู่อัดสบายใจเราก็บอกว่า จะไใชไมใชปิดปิดปิดปิดิดเห็นจิตเห็นจิตมันสบายใจไม่สบายใจต้องถามว่าใครเป็นคนรู้ว่าสบายใจไม่สบายใจเอ้าก็เราจะเป็นคนรู้ว่าเราสบายใจใครเป็นคนรู้ว่าเราไม่สบายใจก็เราเป็นคนรู้เราไม่สบายใจเออรู้ตรงเราเนี่ยแน่คือจิตผมว่าอะไรก็เราได้พูดได้คิดได้นึกตึกตองได้ก็แน่เรานี่ไม่ได้หมายถึงตัวเรานี่ยหรอกเราก็คือเรารู้อะไรก็จิตนั่นแหละมันพูดได้บทได้คิดนึกตึกตองได้รู้สบายใจมันก็พูดไม่สบายใจมันก็พูดให้รู้แต่จิตที่มันพูดได้เนี่ย ก็คือเนี่ยถามว่าผู้ใครมันคนรู้กับเราเนี่หยเป็นคนรู้เนี่ยเรานี่ยคือจิตจเราที่มันพูดได้เนี่ยให้มันรู้จิตปัจจุบันนั้นนั้นเรื่อยไปไม่เอาสบายใจไม่เอาไม่รู้จิตเลยไม่เห็นจิตไม่เห็นจิตเลยรู้ว่าเขาฟังเราไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เราพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีคนหนึ่งอะแกมากราบท้าเราเลยอายุมากแล้วก่อนแกตายแกมากราบเท้าเราบอกว่าอาจารย์รับสารภาพเลย ฟังอาจารย์มาหลายปีไม่เคยรู้เรื่องเลยก็ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะแกรับสารภาพเลยแล้วบอกอ้าวก็บอกเนี่ยเห็นมานั่งเลยแล้วก็ร้องไห้ถึงหลานประจําเลยอะหลานมันเกลเลไงเป็นนู้นเป็นนี่เนี่ยแล้วก็แกก็นั่งร้องไห้ประจำเนี่ยแล้วไม่เห็นเลยว่าในใจมันมันมีความคิดมีอารมณ์อะไรอะ่ะมันมันคิดอะไรมันนึกร้องไห้อ่ะมันคิดอะไรอะ่ะถึงร้องไห้อะ่ออะอาจารย์สาบานเลย มันไม่เคยคิดเลยทําไมอ่ะไม่เคยคิดเลยเหรอเนี่ยตึงถึ้งก็ให้เนี่ยสาบานได้เลยไม่เคยคิดทําไมอ่ะก็มันร้องไห้ขึ้นมาเลยไงมันร้องไห้ขึ้นมาเลยยไม่เคยคิดเลยก็ไปไม่ถูกเลยอ่ะไม่เลยไม่เคยคิดถึงหลานเหลอไม่เคยคิดเลยสาบันก็ได้ไม่เคยคิดถึงหลานเลยแล้วไม่เคยคิดถึงหลานแล้วร้องไห้ได้ไงก็มันร้องขึ้นมาเลยเอ้แล้วาเราสอนผิดตรงไหนอ่ะสอนบาคนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย ร้องไห้ขึ้นมาเลยมันไม่ได้คิดเลยสาบานได้แล้วเป็นอย่างนี้หลายคนนะมันมีอารมณ์ขึ้นมาเลยแล้วเขาไม่ได้แก้งจริงๆแล้วก็มีคนอีกคนเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยบางคนเนะไม่ได้แก่ด้วยแะ้วบอกไม่รู้เหรอนี่ยในใจ ม, นมันมีความคิดมีอารมณ์อยู่เนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่ามันไม่มีในใจเขาเนี่ยมันไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์นี่ก็ดนี้เรา ก็ม mm. Th ันม <So, S 2> <feel Après. S 1> ีต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยมันมีความคิดมีอารมณ์อยู่อะทาไมบอกไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์เราก็ก็ยินยันบอกเขาไม่มีจริงๆไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์จริงแต่เขาทายังไงรู้ไหมเขาเนี่ยเอาความคิดอารมณ์ไปไว้บนหัวเขาคล้ายๆนะคล้ายๆเอาความคิดอารมณ์เนี่ยไปไว้บนหัวเขาพอเราบอกเนี่ยมันมีความคิดอารมณ์อยู่เนี่ยแล้วเขาเข้าไปดูที่ตัวเขา แต่ความคิดอารมณ์เนี่ยมันอยู่บนหัวเขาแล้วก็เอาก้มไปดูในตัวเขาแล it, Here, like s <S like ้วม so like? what kind of ันไม่มีจริงๆในตัวเขาเนี่ยมันมีแต่ความว่างนี่เราก็จะพูดยังไงแล้วก็บอกว่านี่ความคิดอารมณ์มันอยู่บนหัวเนี่ยคุณเอาหัวเนี่ยก้มเข้าไปมองดูในตัวคุณก็เลยเห็นแต่มหนว่างมันไม่ได้คิดแต่ความคิดอารมณ์มันอยู่บนหัวคุณเขาก็ทําไงเขาก็เอามามองๆบนหัวพอมองเข้าไปในหัวหัวก็ว่างอีกเออหัวก็ว่างอีกเราก็เราก็บอกว่า เฮ้มันอยู่ที่เอกคนมองความคิดอารมณ์เนี่ยมันอยู่ไอที่เอกคนดูเอกคนมองเนี่ยอ้าวไม่เห็นทำยังไงก็ไม่เห็นว่าไอ้ความคิดอารมณ์มันอยู่ที่คนมองมันไม่ได้ในหัวไม่ได้ตัวหรอกแต่มันอยู่ที่เอกคนมองเนี่ยไอ้ความคิดอารมณ์มันอยู่ที่เอกคนมองเขาก็ไม่รู้ทายังไงก็ไม่เห็นไม่รู้แปลกจริงๆมากเลยคนเนี้ยเขาไม่ได้แกล้งเลยเราเนี่ยเขาแกล้งไม่แกล้งจริงๆเสอนยังไงก็ ไม่รู้จร city, ิงๆเลยบอกว่ามันไม่ได้คิดมันไม่มีอารมณ์มันว่างเปล่าอย่างเดียวว่างเปล่าอย่างเดียวมึ่พอเราบอกว่ามันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ในตัวเนี่ยแกก็หัวก้มลงมาแล้วก็มีแต่ความว่างมันอยู่ในหัวดูในหัวตัวเองก็มีแต่ความว่างแล้วเอ้ยเราบอกอยู่ในตัวเนี่ยไปอยู่ในหัวอยู่ในตัวอยู่ทั vou, like shepherd, mm ้ง hmm. ต <kinds S 2> <y> ัวเนี่ยเอาอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาเลยทำยังไงเลยเอาตัวเนี่ยไปอยู่นอกในอากาศแล้วพยายามมาดูตัวเราเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยทั้งตัวมันไม่ได้คิดอะไรเลยเห็นไหมอาจารย์แต่ไอตัวคิดมันไปอยู่ในอากาศนู่นน่ะ แล้วก็บอกว่าเราไม่ไปกลับด้านดูไอ้ตัวที่อยู่ในอากาศล่ะพอเขาไปกลับด้านดูตัวในอากาศปรากฏว่าไอ้ตัวในอากาศมันไม่มีไง empre? แต่ไอ้ตัวที่คิดอารมณ์เป็นไอ้ตัวที่ดูตัวใหม่เข้าใจไหมเนี่ยพ อ, อ, อให้ดูมันอยู่ในตัวนี่อ้าวเขาไปในหัวเรา ม, ามองในตัวอ้าวว่างเอา้ามาอยู่ในหัวนี่มันก็มองอยู่ในหัวหัวว่างแต่คนมองมันพูดอยู่มันคิดอยู่เอ่ทํายังไงเอากัดติมันทั้งตัวนี่แนะ่อ้าว ไม่เห็นไม่เห็นก็เลยนู่นเอาผู้รู้ไปไว้นอกตัวสร้างผู้รู้ไปไว้นอกตัวแล้วมาดูตัวอาจารย์มันว่าดีชิเกะนะไรเขาไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ให้ผู้รู้เราเห็นแล้วไปอยู่นอกตัวนู่นแล้วบอกทำไมไม่ไม่เห็นในตัวผู้รู้เนี่ยแล้วแกก็กลับลําำมาดูไอ้ตัวที่มันอยู่นอกตัวรางคน่ามันก็ไม่เห็นไม่เห็นได้วยตัวนั้นมันหายไปแล้วเพราะว่าแกไปสร้างตัวใหม่มาดูไอ้ตัวเก่าเนี่ยที่อยู่นอกตัวน่ะไอ้ควาคิดอารมณ์มันอยู่ที่ตัวใหม่เนี่ย อ้ยเยล่นอาสถื่้าล่อแบบเนี้ยจนทุกวันเนี้ยเราก็ยังสอนไม่ได้เลยเรายอมแพ้เลยอะยอมยอมจริงๆเลยไม่รู้ว่าอะไรบังตาไปแล้วเรายอมแพ้จริงบางทีมันมันคําพูดอะคําพูดเราเนี่ยมันทําให้เขางงเรอรรเรายอมเรายอมรับอะบางทีคำพูดเราเนี่ยทำให้เขางงเพราะนั่นเอเราเนี่ยหาคาพูดมากมายท่านนันทวันเนี่ยท่า น, นันทวันเนี่ยมัาปิ้งมาวาเนี่ยท่านนันทวั น, น่ย สิบห้าปีเต็มร้องโหมร้องไห้ตอนหน้าแล้วเนยสิบ้าปีเต็มไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าไม่สามารถรู้ซื้อได้มาสัปดะห์รู้ทํายังไงก็ไม่สามารถไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยเดีนี้เขาไปเข้าใจว่าเห็นเนี่ยมันต้องเห็นหรือรู้เนี่ยคือต้องรู้คาหนังคาขาวรู้คาตาเลยหรือเห็นหรือรู้เนี่ยมันต้องมันต้องเห็นมันไม่รู้ไม่รู้อยู่เนี่แหลเราพูดอยู่เนี่ยสิบห้าปีไม่รู้เรื่องไอ้เจ้าห่างกับกล้ามา เอาลึกยังไงล่ะไอ้อ น, นานวันนี้มาห่างกัก้าเข้ามารอตั้งแต่เย็นเราเว้ยเอ่เราก็ม า, า, มาอรอเลยวันหนึ่งเนี่ยก็รอนานนี่แง เ, เลยเนี่ยเราบอกให้ห่างกัก้าช่วยช่วยพูดหน่อยได้เล่าช่วยพูดกับช่วยพูดกับนาาหน่อล่าให้นาก็ฟังหลยห่างกัก้าพูด น, นิดเดียวอ่ะเข้าใจได้เอา้ามันถึงเวลาแล้วไงก็ไม่ทราบเราพูดมาต้องสิว่าปีไม่เข้าใจเนีย่ย ห, ห่ันเจ้าก้าพูดจะงงนะก้าพูดว่ามีมันมีไอ้สิ่งที่ถูกรู้ตัวที่หนึ่ง ลไล่ผู้รู้ตัวที่สองมารู้ตัวที่หนึ่งแล้วก็มีผู้รู้ที่สามมารู้ตัวที่สองโอ้แกสร้างแกเลยตอนเนี้ยมันก็สร้างตัวหลังมารู้ตัวหน้าส้าตัวหลังมารู้ตัวหน้าส้าตัวหลังมารู้ตัวหน้าแล้วแกพยายามจะหาไอ้รู้ตัวสุดท้ายเข้าใจไหมแกพยายามจะหาไอ้รู้ตัวสุดท้ายได้แล้วมันไม่เจอไงเจ้าทางเขาก็บอกว่าคือสำหรับผมเนี่ยคืออไอ้ไอ้ไอ้ความรู้เนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงคือมันมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยคือมันมีแต่ ที่ถูกรู้มีแต่อาการได้ถูกรู้ไอตัวความรู้มันไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีเลยผู้รู้ก็ไม่มีมันมีแต่ความรู้มันไม่มีแหละมันไม่มีที่ว่าไอไอตัวผู้รู้เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ท่านนั้ น, นยพยายามไปหาไอตัวผู้รู้ที่ว่าไอตัวผู้รู้ที่มันรู้แล้วพูดไม่ได้ที่หลงตาเครบอกว่าบางคนที่เอาเอา่ออเาขันห้าไปรู้วิญญาณขันที่ไหมเอาขันห้าไปหาขันห้าตัวนั้นที่ไหมที่ท่านท่านนันท่านไปหาใช่ไหมใช่แต่พอกว่าหาคําเดียวเขาเก็ตได้เลย ในเมื่อไอความรู้มันไม่มีตัวตนไม่มีเลยไม่ต้องพูดถึงรู้เลยมันก็มีแต่อย่างนั้นแสดงว่าอาการอะไรก็ตามอที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงของมันเลยอ่ะมันก็ตามความเป็นจริงของมันเลยเพราะว่าไอความรู้มันยังมีตัวตนของผู้รู้ไม่มีไม่ต้องอาพูดถึงผู้รู้เลยมันก็ไม่ประกผู้รู้เลยอ่ะผมไม่ประกนผู้รู้เนี่ยอาการที่ถูกรู้พอถึงเวลาตายอาการที่ถูกรู้มันก็แตกดับไปเมื่อไอผู้รู้ไม่มีตัวตนแต่แต่แรกแล้วมันก Un ็อหายตัวไปเอนก็ง่ายง่ยเฉยเยเลยอ่ะถึงเวลา แล้วสองส้าปีไม่รู้เรื่องมดเจะเก็ตขึ้นมาเก็ตเอาดือด้อเลยอะเก็ตเอาที่เฉยเลยเนี่ยมามานะ เ, เ, เนี่ยมาเกว่ามอว่าเก็ตเอาดื้อเลยสห้าปีเป็นแท็กสุดท้ายเลยที่ตัดจบจบสันทีเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากเลยเออเล่าหนา้าแกก็ฟองไสสว่างสไหยมากเลยเอะกาใจายไหล่ะความรู้มนันในผู้รุ่นไม่มีมันห่างกันว่าเนี่ยไปอยู่ทั้เก็ตเฉยๆเลยมีแต่อาการที่ถูกร่ะยังไม่ต้องพูดถึง ไอ้ผู้รู้ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่งนั้นมันไม่มีตัวตอนเลยพูดถึงมันทําไมก็เพีแต่อาการอาการอาการอาการเียไดปพียแต่อาการปรากฏอาการอะไรก็อย่างนั้นแหละปรากอาการอะไรก็อย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นก็ง่ายดีแต่เราก็จะดูจีิงว่าถ้ากลับมาไม่วนแล้วใช่ได้หรือถ้าถ้ากลับมาแล้วก็เออเป็นรู้ปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันสับแต่ลรู้ต่อตอรูปเจริรู้ซื่โดยไม่ได้พูดถึงผู้รู้เลยผู้รู้ก็ไม่มีความหมายในใจพอไปหาผู้รู้ก็มันมีความหมายในใจ มันขับแขนใจที่หาผู้รู้ซื่อๆไม่เจอคือมันขับแคนใจอะหาผู้รู้ซื่อๆไม่เจอพรรู้อ๋ผมผ ม, มหมดละเอ้ยผู้รู้ซื่อๆก็ไม่มีตัวหรอกแค่นั้นแหละหมดเลยผู้รู้ซื่อๆก็ไม่มีตัวหรอกก็เลยหมดแลยหมดจะใจเลยเราจะดูทีอีกตนกลับมาเราเขาน้าเออตราหน้าแต่ไม่โวยอีกนะสุดยอดเลยเพราะหน้าอุ้ยผองใสมากเพระแกไปหาตลาดแกยอมรับสภาพ แกไปหาให้รู้ตื้อหรือว่าสักตวัรู้เนี่ยหรือรู้เฉยเฉยหรือแค่รู้เนี่ยแกไปหาให้ตัวนั้นอ่ะพยายามให้มันเป็นให้ได้ให้มันเป็นไอ้ตัวที่มันมันมันรู้ซื่อซื่อคาหนังคาขาวคาตาคาใจไอ้ตัวรู้เฉยเนี่ยไอ้ตัวรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยแกต้องเห็นมันได้รู้มันได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รู้เห็นได้อะอ้าวมันมันรู้เห็นไม่ได้เหรออ้าวก็ใช่เดียวว่ามันรู้เห็นไม่ได้ก็บอกตั้งนานแล้วมันรู้เห็นไม่ได้ไง อ่ะมันรู้เห็นไม่ได้แล้วไปบอกว่าไปพูดทําไมพูดถึงมาทําไมมันรู้ของมันรู้เห็นไม่ได้แล้วไปพูดถึงมาทําไมพอพูดถึงมาเนี่ยแกก็หาสิตอนเนี้ยไปหาเลยแล้วมันหาไม่เจอทศเสียขับแค้ใจมาสิบห้าปีมันก็เลยโอ้โหนี่ยะเพราะว่าไปหาในสิ่งที่มันไม่มีอ่ะในภาษาพูดมัก็ผิดเอาคนผิดคนหลงได้คือท่านหลวงตาสอนโดยไม่พูดถึงมันเลยได้ไหมคะ <laughs> มีคนก็ถามเราเหมือนกัน ก่อนเนี่ยอาจารย์สอนทําไมแลให้มีผู้รู้ก่อนแล้วปล่อยวางผู้รู้อ่ะเราก็พอมาถึงเราบอกว่ามาใหม่ๆเลยทุกคนเราพูดตรงนี้เรลมจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันอาจจะรู้ก็ได้นะอาจจะเป็นนิมีตหมายใหม่เลิกพูดปล่อยวางผู้รู้เลยอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยพ่อแม่ครูอาจารย์กับพบผู้รู้ข่าผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้เขาแต่อย่างนี้ มีคนมาบอกกเพราะว่าเราเหมือนอาจารย์ไหนๆก็จะต้องปล่อยวางมันแล้วแล้วไปไปพูดถึงมันทําไมไม่ต้องเอาสมมุติไปพูดถึงสมมติจะได้ไม่ต้องมาปล่อยวางสมมุติใช่แล้วถ้าไปถ้าไปพูดถึงรู้เลยอ่ะมันคือไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมไม่รู้อะไรเลยก็อะไรทำรู้แบบนี้ยทํารู้ให้เป็นอัตราก่อนหลายคนไปปล่อยหลวปู่วันแอนลูกศิษย์เรา กูว่าลูกศิษย์รลูกเดตาละของสัตว์นะไปบอกพ่อแม่กูบาอาจารย์แลว้วบอกปล่อยวางผู้รู้หมดเลยไม่มีผู้รู้อออืืเป็นงไงบ้างปรากฏว่าโอ้โหแล้วบอกว่านะเสียงเกลียวเลยวี่งเกือเลยยิ่งยิ้มก็โง่ตายแล้วเดี่ยวโหคือปล่อยวางผู้รู้หมดแล้วไม่รู้อะไรเลยอ คือถ้าทําอย่างงั้นนะครับมันจะมันจะไม่เห็นคนที่จะไปเอาไอ้ตัวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังมันไม่มีทางเลยไม่รู้อะไรเลยไมือน้เลยไอ้ที่เมาลดอโตู้มาหาเราสองคันเนี่ยใช่ไปอยู่กับสามีเธอเป็นแฟนตลอดเลยครับแล้วก็บอกว่าปล่อยวางหมดแล้วครับกูรู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ใจจะไปอยู่กับใครเลยแต่เนี้ยก็อะไรไม่รู้อะไรเลยไงเนี่ยมันก็อันตรายไม่พูดถึงผู้รู้อะ แล้วอาจารย์ไหนๆก็จะต้องปล่อยวางพูดรู้อาจารย์พูดถึงมันทําไมมันก็เลยกลายเป็นของมีอา้าวก็จะสอนอยังไงอ่ะคือผมว่าต้องต้องอันนึงต้องเชื่อมั่นครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วฮะ<อ>ที่ท่านบอกทําอัตตาให้เต็มคือถ้าเรเดินไม่เต็มทางเดินนิพพานเรายังไม่เต็มมันก็ปล่อยไม่ได้หรอครับมันก็ยังมีตัวแอบที่เราไม่เห็นอยู่ดีครับเนี่ยก็ปล่อยวางพูดรู้หมดแล้วโอ้ยพอแมกว่าอาจารย์โง่ตายชักแล้วแบบเนี้ยโอ้ มัโก็โอ้ตายสิอะไรเงี้ยโอ้เหระอะไรมันไม่รู้อะไรมันก็โกตายอย่างเดียวโอตายอย่างเดียวเลยถ้าเห็นตอนที่พระบูดาจ้าสอนพระพาหิยาค่ะอันนั้นไม่บอกว่าสักแต่ว่าให้สักแต่ว่านั้นท่าก็ไม่ได้สอนเลยรู้นะไม่ใช่ไม่รู้รู้สักแต่ว่ารู้เออสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่ว่าไม่มีรู้นะแต่สักแต่ว่ารู้มันเป็น แต่ว่ารู้ไม่ใชว่ามันมีรู้มันเป็นกิริยามันเป็นกริยามันไม่ใช่มันไม่ได้สมมุติตัวรู้ขึ้นมามันเป็นคุณสมแปลว่ารู้ก็เป็นกิริยาไม่รู้ล่ะพูดไงคอยเข้าใจอะไกันตรงกันเข้าใได้ละพูดเลยมันเข้าใจตรงกันเข้าใได้ละจะพูดอะไรไหมม่ไหมอ้าวะหม่เขาอ้าวดูดูดูดูคนใหม่เขาว่าไงเขาจะเข้าใจมอ้าวถ้ทิ้งหมดอ้วดูเนี่ยเราพูดไปยังไงเปล่าครับมื่ีที่หลวงตาแนะนำให้อ่ เหมือนดูจิตดูตัวภาคเนี่ยครับผมก็เลยตอนฟังทําแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเออ่เราไปยึดตัวภาคอีกหรือเปล่าอย่าเงี้ยครับแต่ว่าคือเหมือนว่าพอพอมันแน่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนมีอะไรเหมือนมันจะดันขึ้นมาครัผมก็แค่รูไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยแล้วก็รูแต่ก็คือเหมือนว่าอาการที่แน่นเนี่ยเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับมันคือ ม, มันเหมือนห่างออกไปนิดนึ่งเงี้ยครับ ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าครับคือมันคิดจะถูกแต่ก็ไม่ถูกก็คือว่ามันแค่รู้แต่พอเราไปพูดตอนแรกถูกว่าแค่รู้แต่ตอนหลังผิดก็คือว่ามันหางจากเราไป็กนิดมีเรามีกลายเป็นสองอะไตัวเนี้ยครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดครับเพราะว่าเราข้างหลังไม่มีมีแต่อาการครับแต่ย่างไงเราจะดันทุกอย่างอ่ะให้มันหางตัวเราไปอ๋อครับแต่ยี่แย่หญ่เนี้ย นีแต่อาการมีแต่ความรู้มันเป็นยังไงซื่อๆมีแต่ความรู้ซื่อๆในการที่เป็นแต่ท่านบอกว่ามันมีแยกเราห่างออกไปมันกลายเป็นเรามีเราตัวเราแล้วเราแยกสิ่งนัรึไงอาการที่มันแน่นสบายมันดีดันนะฮะมันห่างตัวเราไปไม่ใช่อันนั้นผิดตัวเราไม่มีมีแต่รู้แต่ความรู้อย่านที่แน่นๆเร า, าก็ไม่ต้องสนใจคือจะวางจะไม่วางกันได้ไหมฮะอืมก็มาดูที่จิตเนี่ยมันจะได้ไม่ดูดที่อ า, า, าการแ น, น่ดูที่จิตที่มันคิด อมันรู้ว่พอมันรู้แน่แล้วจิตมันคิดมันพามันพูดอย่างไงแล้วดูแต่ที่จิตดูที่จิตที่มันภามันพูดเพื่อมันหลุดจากอารมณ์ที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เรามารู้จิตที่มันพามันพูดแทนและจิตมันจะเปเรื่องสนใจอารมณ์ที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เองแต่ตนบอนว่ครับผมถ้าเราเนี่ยไม่มาดูจิตที่พูดเราก็จะไปยุ่งกับอาการแน่นอาการสบายไม่สบายเราจะยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีทางแก้ได้ครับเราจะแก้ ที่ติดอารมณ์ติดอาการได้ต้องให้มารู้ที่พูดรู้ที่มันพูดมันพากได้มามามาู้จิตที่มพูดมัภาคได้มันจะมันไปยุ่งกับสิ่งกิตติรู้ต่อไปครับแล้วเราก็มาสักคำรู้จิตไปครับสาจารยมีอะไรไหมเข้าใจไหมหลังที่ก็พูดพูดกันนี้เข้าใจมไหมมาที่หลังเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นคําถามเดียวกันหมดเลยครับอะเข้าใจว่ามันเป็นคําถามเดียวกันหมดเลยเออใช่ทุกคนมาก็มีคําถามเดียวกันแล้วมันเหมือนเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะครับอาจารย์ เหมือนกับว่าทุกคนพอสัญอยากฉันอยากจะรู้อะแต่จริงๆทุกคนก็ไม่ได้รู้เอียใช่ใชพราะทุกคนเหมือนกับว่าพอาจิตของตัวเองไปผูกกับตัวรู้มันเหมือนกับสร้างอัตราเนี่ยอัตราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ก็เลยไม่เจอสักทีแล้วสุดท้ายคือจริงๆทุกคนก็ไม่ได้มองที่ใจตัวเองอะครับคือที่ผมไปคือผมเคยฝึกสติปฐานสี่มาก็เลยค่อนข้างพอรับรู้เรื่องพวกนี้มาบ้างว่าการรู้คืออะไรคือการรู้ รู้เฉยๆไม่ได้รูบเอาจิตไปผูกกับมันว่านี่ดีหรือไม่ดีเราอยากกับตัวนี้หรือไม่ตัวนี้ได้ยินเสียงมาเราก็ได้ยินว่ามันเป็นเสียงเราไม่ได้ไปพิจรารณาต่อว่าเราชอบไม่ชอบนั่นนะครับที่ผมเข้าใจคือรับรู้สิ่งที่มากระทบแต่ไม่ได้เอาจิตไปใส่ในสิ่งที่กระทบแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปรับรู้ในสิ่งที่กําลังเข้ามาอีกวนไปแบบนี้ครับอาจารย์ที่เข้าใจครับ พิมกันนะไม่ใหม่หมก็เข้าใจได้ได้เอาไม่ใช่อะไรจะรับสภาพพิมฮะวางมาล้วก็ใจย่างอัะตอนี้ที่เขาผูกกันเนี่ยวางยังชัดเจนขึ้นยังชัดเจนตรงที่ว่าก็รู้อยู่แค่ปัจจุบันก็พออะไรจะเกิดขึ้นก็แค่นั้นจะมอะไรมากกว่าเอาตัวเราไปผูกกับรู้นะนี่ก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวตัวเราไปปูกกับรู้เดี๋ยวเหมือนท่านนั้นหาพยายามจะหา ห า, ร, หารู้ที่มันซือ่ารู้ที่มันแก่รู้หารู้ที่มันสักแต่ว่ารู้หาไม่เจอทุกทีแล้วเวลานั่งสมาธิล่ะเจ้าคะหนูควรจะเรียกว่ายังไงอะ่ะคือแต่ก่อนนู่นก็ทําพองยุคแล้วก็มาดูอสุภะแล้วก็มาดูพุทโธตอนนี้คือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แค่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็แค่สักแต่ว่ารู้ไปแค่สกัดรู้จิตปัจจุบันรู้จิต จะรู้จิตปัจจุบันจะนั่งสมาธิจะเดินจกกมจะนอนจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมจะทํากินข้าวจะทําอะไรก็ตามแค่รู้จักรู้จิตปัจจุบันตามความเป็นจริงซื่อๆตามความเป็นจริงไม่เน้นว่าจะไปทําเฉพาะตอนนั่งสมาธิไปตามเฉพาะตอนเดินโยกมทั้งวันรู้จิตปัจจุบันรู้ซื่อๆจิตปัจจุบันแต่ถ้าจะไม่รู้มันก็เป็นเรื่องของมันอยู่ดีออื <c oughs> สติขาดอ๋อ <c oughs> ถ้าไม่รู้สติขาดเพราะว่าสติอยู่ไหนความรู้วยูนั่นความรู้ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้อยู่ด้วยกันต้องมีสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจไหลใจแต่ก็แค่รู้ไม่ได้ไปทําอะไรแค่รู้จิตปัจจุบันตอเราไม่เอาสติตั้งที่ใจเราจะไปกับอารมณ์ที่ถูกรู้หมดไปกับสิ่งที่ถูกรู้หมดเราจะไปเอาอาการที่สบายใจเราจะไม่ชอบอาการที่สบายใจเพราะว่าเราไม่เข้าหาจิตปัจจุบัน itan, ผู้รู้อาการ แต่เวลาดูทีวีมันก็ไม่มีสติอยู่เดียวเจ้าค่ะใจมันก็ไหลไปกับไอ้เรื่องราวที่เราดูอยู่ก็เพราะว่าสติมันไม่ตั้งที่ใจดูที่ใจดูที่ใจไล่ใจไปว่างที่ใจเราขาดศรัทธาขาดศรัทธาในสติกับรู้เพราะว่าสติกับรู้แต่เราศรัทธาสติก็คือตรทารู้ศรัทธารู้ก็คือขาดศรัทธาสติเพราะสติอยู่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้ในไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ศรัทธาสติ เราศรัทธาโทรทัศน์ศรัทธามือถือศรัทาเกมศรัทธาเราศรัทธาย่างอื่นเราไม่ได้ศรัทธาสติเพราะว่าหลวงปู่จุมพันธุโลเนี่ยถามหลวงปู่ม่านตัเล็โตพ่อแม่กูอาจารย์ใหญ่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสมาธิหลวงปู่ม่านบอกให้ดูที่สติหลวงปู่คําตันว่าสติหายสมาธิหายปัญญาหายสติมีสมาธิมีปัญญา หลวตมาเบอรว่าสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นนิพพานเราพูดทาว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไรใจเปิดวางที่ใจสติอันเดียวสติอันเดียวก็ไม่หลายอย่าไปเอาหลายอย่างสติอันเดียว <c oughs> เราก็ได้ศรัทธาสติศรสติ <c oughs> ถ้าเดินจงกรมอยู่ไม่มีสติไม่มไีไม่มีปัญญาไม่มีทรร นั่งสมาธิอยู่ไม่มีสติไม่มปัญญาไม่มีธรรมสติขาดไปเลยสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมองศรัทธาสติให้ศรัทธาสติศรัทธาสติก็คือศรัทธารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆู่ซื่อรู้ซื่อๆจิตปัจจุบันมันไม่ได้ต่อเนื่องเพราะว่าศรัทธามันไม่เต็มที่นั่นเองก็เพราะไม่ศรัทธาสติ ศรัทธาเป็นพละห้าอินทรีห้าพลาะเออพละห้าอินทรีห้าขึ้นด้วยศรัทธาก่อนกําลังอันยิ่งใหญ่กําลังจิตอันยิ่งใหญ่กําลังอันยิ่งใหญ่ที่จะพาไปสู่พระผลนิพพานะกําลังศรัทธาศรัทธาขึ้นก่อนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาอะไรก็คือ ศรัทธาปุ๊บพอมีศรัทธาก็ศรัทาอะไรก็เนี่ยเพียรให้มีสตินี่ออืศรัทธาแล้วก็ความเพียรแล้วก็สติสมาธิปัญญาก็คือศรัทธาในความเพียรให้มีสตินี่ไงพอมีสติปุ๊บมันก็จะมีสมาธิมีปัญญาสติหายสมาธิหายปัญญาหายสติมีสมาธิมีปัญญามีนั่นน่ะไอ้ตัวหลังเนี่ยศรัทธาวิริยะความเพียรสติสมาธิปัญญา ก็มาจากสติอะไรที่ปัญญาก็มาจากสติแล้วทพียอะไรเขาเพียให้มีสติแล้วศรัทธาอะไรก็ศรัทธาเพียรให้มีสตินี่เนี่ยที่เป็นพระห้าอินทรสี่ห้าก็มีศรัทธาเป็นหลับเป็นตัวนําสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่ทนั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันสติไหนก็สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจระเกตอยู่ที่ใจละทใจไปว่ายอยู่ที่ใจสติก็ไม่ทำอะไรแค่รู้จิตซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อ อดีตเป็นทำเมาอนาคตเป็นทำเมารู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันธรรมะมีอยู่แค่นี้เองนอกจากนี้ไม่มีอะไรเป็นธรรมนี่ท่านพูดชัดเจนมากเลยน้องตาเนี่ยโดนท่านดุตวานเวลาหลุดจากจิตปัจจุบันแล้วโดนตวาดเราเลยหลวงปู่ทาเนี่ยอติธาเต็มใส่เป็นแก้วเต็มเลยนี่หลวงปู่ทาจะรุธมงค์หลวงปู่ทาสาธนครหลวงปู่ทาอือใส่เป็นเพชรเต็มเลยนี่หลวงพ่อทา โดนท่านดุก็ตวาดเวลาถ้าไม่ไม่อยู่กับรู้จิตปัจจุบันถ้าตวาดเอาเลยดูเอามากเลยดูอย่างแรงเลยทนบอกว่าอดีตเป็นทำเมาอนาคตเป็นทำเมาอดีตเป็นทำเมาอนาคตเป็นทำเมารู้จิตรู้ปัจจุบันเนี่ยรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจลที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อเนี่ย รู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อจิตเป็นอย่างไรรู้ไปอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้อย่าอยาให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอย่าอยากให้เป็นอย่างนี้มันเป็นกิเลสตัณหาเป็นทางเดินตรงข้ามปรนิพพานตะปูฉันมารู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อจิตเป็นอย่างไรรู้มันไปอย่างนั้นรู้จิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบัน อดีตเป็นทำเมาอนาคตเป็นทำเมารู้จิตปัจจุบันนะ่ะเท่านั้นนะ่ะที่จะเป็นธรรมะธรรมโมหลุดจากรู้จิตปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมะธรรมโมเลยจิตเป็นอย่างนี้อย่ากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่า ง, งนี้นรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อรู้ปัจจุบัน